ที่ตั้งใจจะเปิดเสียงธรรมะวันหนึ่งคือหนึ่งข อ, งอาจารย์กำพลเพราะช่วงนี้ท่านป่วยหนักแล้วดูทีท่าว่าคงจะอยู่ได้ไม่นานแล้วก็วางแผนว่าเดี๋ยวจะไปเยี่ยมท่านถ้ามีโอกาสอาจารย์กำพลท้องนุ่มท่านป่วยเป็นเป็นมะเร็งในตับในสุดท้ายมาตั้งปีกว่าแล้วเมื่อปีแล้วหมอก็ฝันโถงบอกว่าจะมีชีวิตอยู่ได้ไม่เกินสามเดือนแต่ตอนนี้ท่านก็เลยมาอีกปีนึงแล้วเพราะจิตใจของท่านเนี่ยเข้มแข็งมาก โดยธรรมชาติแล้วคนที่ป่วยเป็นมะเร็งตับระยะสุดท้ายเนี่ยอัพเดียวแหละก็ตายแล้วจากสถิติของหมอนะพอคนที่รู้ตัวว่าป่วยปุ๊บเนี่ยจิตใจมันจะหมดกําลังใจบางทีหมอบอกว่าสาเดือนเนี่ยบางทีเดือนลงกว่าก็ตายมีคนดังหลายคนที่เป็นมะเร็งตับอย่างยอดรักสลักใจสายจันสัญญาแล้วก็อีกมากมายส่วนมากเป็นแล้วไม่รอดแต่จากอภินิหารท่านจะมีคล้ายๆ มีสภาวะทำข้างในหล่อเลี้ยงอยู่คือท่านกายท่านป่วยแต่ว่าจิตของท่านเนี่ยมีความสุขอยู่ใครไปเยี่ยมท่านก็ยิ้มแย้มแจ่มใสอัลมาไปเยี่ยมท่าไหลาครั้งช่วงแรกๆเนี่ยท่านพูดธรรมะไม่ได้ดูซ้เพราะว่าไม่มีแรงจะพูดมีแต่ตอนหลังเนี่ยที่ไปเยี่ยมเมื่อประมาณสักเดือนกว่าหรือสองเดือนเนี่ยที่ชมลมให้คุณธรรมเนี่ยจังบนพุทมะได้นานนะจนอัลมาต้องไม่ฝ่ายขอตัว ขอตัวลงอะ่ะโชว์หลังคือถ้ามีหมอดีหมอจะมือหมอจากไต้หวันมาช่วยรักษาทำให้ท่านเนี่ยร่างกายฟื้นขึ้นมาอีกแล้วท่านก็มีกาลังใจจากคนรอบข้างมีกาลังใจดีอาจรย์กำพลท่านบอกว่าตอนนี้ชีวิตของท่านเนี่ยใช้สามยอมยอมที่หนึ่งคือยอมรับฝ่ามเป็นจริงยอมที่สองคือปล่อยให้เป็นไปตามธรรมชาติ ยอมที่สามคือยอมตายอันนี้เราสามารถเอาสมยอมเนี่ยมาใช้กับชีวิตของเราได้ทุกเรื่องเลยสามยอมถ้าเราไม่ยอมไม่สามยอมเนี่ยชีวิตของเราก็มีปัญหาอย่างคนทั่วไปเนี่ยมักจะไม่ค่อยยอมรับฝวาเป็นจริงว่าเราเนี่ยเป็นคนที่ทุกข์นะแล้วเราก็มีกิเลสด้วยเรื่องของเรื่องโดยทั่วไปคนจะไม่ยอมรับว่าตัวเองเนี่ยเป็นคนมีกิเลสเป็นคนไม่ดีกิเลสไม่ละหลอกว่าเราเป็นคนดีนะเราจะหาทังป้องกันตัว แล้วจิตมันก็หลอกให้เราเนี่ยไปมองคนอื่นเราไม่ดีไปเพ่งโทษคนนู้คนนี้คือคนอื่นไม่ดีเราเห็นหมดแหละแต่ตัวเราไม่ดีเราไม่เห็นนะอตาตมาเนี่ยต้องใช้เวลาเรียนรู้เรื่องคนได้ไปสี่สิบปีเลยเมื่อก่อนมันก็ไม่เห็นอนะ่ะมันเห็นแนี่ยโทษคนอื่นมันมันกีเลศตัวนี้ดูยากไอ้กีเลศเพ่งโทษอ่ะเอ า, าที่ตัวมันเองก็ไม่ดีหรอกไม่ใช่วันดีแต่ว่ามันเห็นคนเห็นคามไม่ดีคนอื่นคามดีคนอื่นมันก็ไม่ค่อยเห็นด้วย อย่างหลวงพ่พุทธทาสแล้วก็แต่งกนไว้นะว่าให้มองแต่งแงด่ดีเขามีส่วนเลวบ้างช่างหัวเขาจงเลือกเอาส่วนดีเขาไปอยู่เป็นประโยชน์โลกบ้างยังน่าดูส่วนในชั่วอย่าไปรู้ของเขาเลยจะหาคนณบีดีโดยส่วนเดียวอย่าหมดเที่ยวค้นหาสหายเอ๋ยเหมือนค้นหาหนวดเต่าตายเต่าเอ๋ยฝึกเ ค, เคยมองแต่ดีมีคุณจริงอันนี้สามารถใช้ได้ พอโดยตัวทั่วไปเนยะคนเราก็จะมีมีส่วนดีอยู่่ไม่มีใครชั่วบดหรอกอัตราหาคนชั่วบทยากเหมือนกันคนที่เรามอกว่าไม่ดีเขาก็มีส่วนดีอยู่จะดีของเขานะคนเราจะมีอุปวิสัยและกิเลสต่างกันจิตใจก็แตกต่างกันความชอบก็ไม่เหมือนกันบางคนอาะชอบอาหารอย่างนี้บางคนไปกินก็ไม่อร่อยบางคนก็ชอบฟังเพลงแบบนี้เราไปฟังที่เราก็ไม่ชอบดูหนังก็เหมือนกัน รสยมก็แตกต่างกันผู้หญิงผู้ชา ย, ยช บ, บางคนอาจจะชอบบางคนอาจจะไม่ชอบก็ได้หน้าตาแบบนี้ไม่ไม่ได้อยู่ในสเปกอะไรอย่เงี้ยอย่างพวกฝรั่งเนี่ยก็ชอบผู้หญิงไทยดำตูดดำๆแบบถ้าเป็นคนไทยบางทีก็ไม่ชอบชอบพวกเขาขาวเหมือหวยอะไรมากกว่าอันรสยมคนเราจึงไม่เหมือนกันเราว่าดีเข็แต่ว่าไม่ดีก็ได้ธรรมะขอจารมพลคุมในทุกเรื่องเน่ยนะเรื่องยอะแล้วพอเป็นจริงเนี่ย เพราะว่าคนเราเนี่ยจะต้องอยู่กับโลกธรรมโลกธรรมแปดประการก็คือมีลาบเสื่อมลาบมียศเสื่อมยศมีสุขมีทุกข์มีสารเสริญมีดินทาถ้าเกิดเรายอมรับควาเป็นจริงเนี่ยเราก็อยู่โลกธรรมได้บางทีของเราหายเราก็ยอมรับเออของมันไม่เที่ยงนะหายได้หรือบางครั้งเราถูกดินทาเราก็ยอมรับได้ตัวเองยังไม่รู้เรื่องตัวเองเลย คนอื่นยังเข้าใจเราผิดบ้างก็ไม่เป็นไรหรอกหรือบางครั้งเราก็มีลาบอาจจะมีคนมาให้ของเราอะไรเงี้ยเราก็จะ่ดีใจบางครั้งแต่บางครั้งเราก็เสื่อมลาบเหมือนกันบางช่วงก็ไม่มีคนมาถวายของให้ของเหมือนกันจริงเอาได้นอนอะไรไม่ได้เรื่องนี้ชื่อเสียงก็เหมือนกันบางช่วงเราทําความดีคนก็อาจชื่นชมเราแต่บางช่วงคนอาจจะอาจจะ ตำหนิตีเที้ยเราก็ได้แล้ ว, ลวอาจจะชื่อเสียก็ได้เพราะเรื่องชื่อเสียงกับชื่อเสียอยู่ใกล้กันแหละคนที่ดังก็มกักจะโดนถล่มมากกว่าคนที่ไม่มีชื่อเสียงเพราะว่ามันมีเหตุอยู่คนที่มีชื่อดังชื่อเสียงดังเนี่ยเราอยาาคิดว่าเขามีความสุขนะบางทีโลกส่วนตัวเขาไม่มีอย่างพระดังๆหลายรูปเนี่ยก็มีโยมเขาจับผิดอยู่จะไปไหนมาไหนทานอาหารใช้ชีวิตอยู่อย่างไรผิดกับพระที่ไม่มีใครรู้จัก ใช้ชีวิตสบายๆว่าเยอะของฟรีไม่มีในโลกทุกสิ่งทุกอย่างต้องจะต้องแลกเปลี่ยนกันยิ่งถ้าเราดังเท่าไหร่โรคส่วนตัวของเราก็เยอะไม่มีละอย่างอาจารย์ไปศาลเนี่ยท่านมาสุกโตรหรืออยู่วีู่้หลงเนี่ยเดี๋ยวก็มีญาดยาดโย ม, มาเยี่ยมมาหาทั้งวันแหละที่ไม่ค่อยได้พักผ่อนหรอกอยากสบายสบายเห็นว่าคนมีชื่อเสียงคนไม่มีชื่อเสียงเนี่ยชีวิตมันมีความแตกต่างกันตรงนี้เห็นได้ชัดเลยอาจารย์ท่านไม่มีโรคส่วนตัว ต้องรับแขกตลอดเพราะท่าเป็นคนดังถึงคนไม่มาเดี๋ยวก็ต้องไปเทศที่นูน่นที่นี่โทรทัศน์ก็เชิญนิมนต์ไปพูดออกโทรทัศน์จนไม่มีเวลาได้ว่างหาเวลาพักผ่อนก็ยากแต่คนอื่นที่ไม่มีชื่อเสียงก็าสามารถอยู่แบบสบายๆมีเวลาพักผ่อนมีนกส่วนตัวมากกว่าอันนี้อันนี้ เ, เห็นได้ชัดเลย ชีวิตของเราอยู่ใต้โลกธรรมเนี่ยถ้าเราเข้าใจความเป็นจริงยอมรับได้เราก็กกมกินกับโลกธรรมได้แล้วกว่าไม่เที่ยงความไม่เทียมมเท่ยงต่างๆเนี่ยความเจ็บไข้ได้ป่วยอุบัติเหตุสิ่งเีล่านเกิดขึ้นเราได้ทุกวันเลยไม่มีหลักประกันอย่างอาตาบาดูข่าวทางหน้างสือพิมพ์เนี่ยเราจะเห็นคนตายทุกวันคนที่ตายก็ตายแฉับพลันนะไม่รู้ตัวบางทีนั่งรถไปเกิดอุบัติเหตุอย่างเงี้ยเขาก็ไม่คิดว่าเขาจะตายนะ บางคนอนาคตก็กำลังรุ่มโลดอยู่มีอนาคตกําลังเรียนอยู่ระดับปริญญาต ร, ารีปริญญาโทปริญญาเอกก็มีหรือบางทีเป็นลูกคนรวยก็มีแต่ความตายเขาไม่สนใจหรอกถึงเวลาเขาก็เอาไปเลยแหละเขาไม่สนว่าคุณเป็นใครอย่างไหนเพราะว่าสิ่งเหล่าเนี้มันเหนือกันควบคุมของเราสิ่งเราควบคุมไม่ได้มีอยู่5้าอย่างมีเรื่องอายุความเจ็บไข้ได้ป่วยเวลาตายสถานที่จะตาย แล้วตายแล้วเราก็ไม่รู้ว่าจะไปไหนไอ้ น, นียเราควบคุมไม่ได้เลยเพราะว่าอย่างข้อที่ห้าเนี่ยไอ้ตายแล้วไปไหนเนี่ยถ้าคนฝึกสมาธิถึงขั้นได้ฌานเนี่ยอันนี้ควบคุมได้อยู่อย่างน้นนอยๆตายไปก็ไปเกิดเป็นพรหมโลกได้ไม่ไปทุกขติดได้แต่ถ้าเราไม่มีสมาธิระดับฌานเนี่ยมันไม่รู้ตัวนะไม่เหมือนฝันไปอาศัยต้องทาความดีบ่อยๆจิตมันจะได้คิดขึ้นมาได้ เพราะธรรมชาติของจิตเนี่ยมันจะคิดแต่เรื่องไม่ดีเรื่องดีมันไม่ไมคิดหรอกบางทีไปคิดเรื่องที่ทําไว้ไม่ดีมัางแต่ผลหลังบุญกุศลมันก็ลืมไปบางทีทําให้เราไปทุกติได้เหมือนกันนะไปใช้กลใช้กรรมใช้เวรก่อนแต่ถ้าเกิดคนที่ทําความดีบ่อยๆทําบุญกุศลช่วยช่วยสังคมช่วยคนอื่นที่เดือดร้อนจะติดไปที่สายเนี่ยจิตมันจะคิดขึ้นมาได้ขาดตายเนี่ยก็อจะไปสู่สุขกติได้ไปเกิดในที่ดีได้ สิ่งเราทำได้ก็ต้องสร้างความดีไว้ก่อนเป็นหลักประการไว้คนเราแต่ละคนเนี่ยอาจมาเชื่อว่าทุกคนเรารักชีวิตตัวเองสมมติมีคนมาซื้อดวงตาเราเนี่ยเป็นร้านเราก็ไม่ขายหรอกซื้อหูข้างหนึ่งหรือซื้อแขนข้างหนึ่งเนี่ยรับรองได้ทุกคนไม่ขายเพราะทุกคนก็รักชีวิตตัวเองคนอื่นนี่ก็อีกเรื่องหนึ่งรักรองลงมานัธรรมะจริงๆแล้วก็เรียนเพื่อมารู้จักตัวเองรู้กิเลือตัวเองรู้ตัวเองเป็นคนยังไงเป็นคนโลภ เป็นคนขี้โกรธเป็นคนอิจฉาเป็นคนเปรียบเทียบเป็นคนเห็นแก่ตัวเป็นคนยกตนข่มท่านเป็นคนดีมาะนะอาตมาว่ามันมองยากนะเรื่องพวกนี้ไม่ใช่มองง่ายๆเรื่องขี้ฉาเนี่ยมองยากเพราะไปกินละียดที่ละเอียดหรืออคติหมายถึงว่ารักคนนู้นแต่ว่าไม่ชอบคนนี้หรือว่ารักไม่เท่ากันอันนี้ก็เป็นเรื่องธรรมดาของโลกเพราะโดยธรรมชาติเรารักรักไม่เท่ากันอยู่แล้วบางทีเพื่อนคนนี้ถูกชะตาเอามันก็ชอบ มากกว่าไอคนนี้ไม่ค่อยสนิทเลยอะไรเงี้ยอันนี้เกิดทุกคนฮนะมีแต่พระอรหันต์นะที่ละไอพวกนี้ได้คนธรรมดาละไม่ได้หรอกอเรื่องรักไม่เท่ากันเนี่ยรักลำเอียงเนี่ยเป็นพระอรหันต์าาานั่นแหละเพราะกิเลสละเอียดทั้นโลกเราจะอยู่แบบมีปัญหาเพราะแต่ละคนเนี่ยไม่เข้าใจกิเลสตัวเองถึงเบียดเบียนกันไม่เห็นใจซึ่งกันและกันอย่างธรรมะข้อที่สอ ง, องจารมพลปล่อยให้เป็นไปตามธรรมชาติ ที่เปธรรมชาติในข้อนี้ก็คือบางครั้งเนี่ยเราเจ็บแค่ได้ป่วยหมอรักษาเราเนี่ยก็หายบ้างไม่หายบ้างไม่ค่อยจะหายทุกครั้งเพราะเราไม่สามารถฝืนธรรมชาติได้เลยเราก็ต้องแก่ไปพออายุมากขึ้นผมก็งอกผิวหนังก็เริ่มเหี่ยวยน่นไม่สวยเหมือนเมื่อก่อนแล้วตีนกาก็ลึกขึ้นเลี้ยวแรงก็น้อยลงสายตาก็ ประสิทธิภาพรถหูเหอก็ไม่ดีหมดหละคนเริ่มอายุเยอะขึ้นเนี่ยพี่กับผิดกับวัยหนุ่มวัยสาวหรือวัยเด็กถ้าเราเรายอมรับความจริงตัวนี้ได้เนี่ยเราก็ไม่ค่อยทุกข์เไรตอนที่เราแก่เนี่ยเราก็ไม่ไม่จำเป็นต้องไปย้อมผมไม่จาเป็นต้องไปหาอะไรมาแต่งบำรุงผิวอะไรมากมายเพราะเรารู้ความจริงของชีวิตตัวเนี้ยเราต้องแก่แล้วเราก็รู้ว่าเราไม่สามารถยึดสมบัติในโลกได้เลยของุก อ, องทุกอย่างเนี่ยเราก็าใช้ชั่วคราวเท่านั้น เราไม่สามารถอยู่กับถาวรได้โลกนี้ก็เหมือนโรงแรมชั่วคราวแต่ถ้าเราคิดจะอยู่ถาวรเนี่ยเราทุกแน่นอนถึงเวลาเราก็ต้องไปสมบัติต่างๆเป็นของโลกหมดแหละเพราะเรารู้ตัวนี้ปุ๊บเราก็ไม่ดิน้นหลนมากแค่พอมีชีวิตอยู่ได้ก็พอแล้วบางคนโลภมากเนี่ยโอ้โหสะสมสะสมบัติมีเป็นร้อยล้านพันล้านหมื่นล้านก็ไม่พอหรือไเปเบี่ยนเบยคนอื่นอีกเพื่อต้องการอำนาจอะไรพวกเนี้ยอันนี้ออกนอกทางไป ม, มากเลยชีวิตก็ไม่มีความสุข คือแบบไม่ยอมรับความจริงของตัวเองแล้วก็ไม่คอยตามธรรมชาติธรรมชาติเนี่ยเดี๋ยวก็เดี๋ยวหนาวเดี๋ยวร้อนมียุงมแมลงบางครั้งก็มีภัยธรรมชาติเหมือนกันเหมือนไม่ได้อยู่ใต้อำนาจควบคุมของเราแต่หน้าที่ของเราก็คือดูแลรักษากายใจขอยงเราตามหน้าที่แหละทุกคนมีหน้าที่ดูแลตัวเองไว้ก่อนจะได้ไม่ทุกข์อย่างข้อที่สามยอมตายยอมตายที่สําคัญนะเกิด เกิดความตายขึ้นมาเนี่ยถ้าเราไม่ยอมตายจิตเราจะดิ้นรนมากเลยเมื่อก่อนอนบ่าเคยไปหาหลวงพ่อโบศรีนะเมื่อประมาณสิบกว่าปีก่อนเคยไปถามหลวงพ่อโสศรีว่าหลวงพ่อถ้าตายแล้วทําไงหลวงพ่อโบศรีท่านตอบว่าต้องยอมตายทียอมตายท่านพูดแค่นั้นแหละยอมตายถ้าเกิดเราไม่ยอมตายเนี่ยมันจะขัดแย้งทันทีเลยมันจะดินน้นรนจิตมันจะดินน้นรนไม่ยอมรับความเป็นจริงตายก็คือตายแค่อบอกแนะั้นแ่ะ บอเออจริงๆนะคนเราคนที่ไม่อยอมรับความตายเวลาความตายเกิดขึ้นจริงๆเนี่ยมันทําใจยากเหมือเกิดทุกข์อะไรอวรนอะไรเยอะแยะหมดอ่ะท่านธรรมะสมข้อของจารย์กัมพลจึงใช้ได้สามยอมยอมรับความเป็นจริงปล่อยให้เป็นไปนตามธรรมชาติและยอมตายแล้วตัวจารย์กัพลเนี่ยก็เหมือนถังกระยา ก, กรั่วใครมีความทุกข์มาปรึกษาท่าน บางทีมาคุยเรื่องนู้นเรื่องนี้ที่ไร้าสาระเนี่ยปเป็นชั่วโมงชั่วโมงท่านก็ฟังนะเพราะท่านหนีไปไหนไม่ได้คือต้องรับฟังกแหละบางทีแต่ท่านฟังเป็นนะถ้าคนฟังไม่เป็นจะทุกข์นะเพราะเหมือนมันเหมือนรับขยะมาแต่ท่านบอกว่าท่านถังขยะ ก, ก็นรั่วคือรับมาแล้วก็ทิ้งไปอย่างโยมคนไหนเนี่ยที่ท่านชี้แนะได้ให้ข้อคิดได้ท่านก็ให้แต่นิสัยโยม บ, บางคนเนี่ยจะเป็นคนดื้อรั้นรับธรรมะไม่ได้นี่ท่านก็นสอนไม่ได้เหมือนกัน คือสอนได้ไม่ทุกคนให้เขาคิดไม่ได้ทุกคนบางคนก็เปลี่ยนแปลงได้เพราะท่านชี้นะแล้วรับฟังแต่บางคนเนี่ยดือ้อไม่รับฟังอะไรใครเลยต่อให้เป็นพระครูบาอาจารย์ก็ไม่ฟังเหมือนกันอันนี้อยู่ที่อุปนิสัยแต่ละคนพระก็เหมือนกันพระบางคนก็ดือ้อบางคนก็เป็นคนว่านอนสอนง่ายแต่คนที่ดื้อเนี่ยถือว่าไม่รับการเรียนรู้ใครพูดอะไรก็ไม่ฟังอันนี้คือคนดือ้อ จนกว่าเนี่ยเขาจะเห็นว่าตัวเองดื้อเนี่ยเขายัางหลุดจากลมนี้ได้คนบ้ากเหมือนกันอาตมาเนี่ยบวชมาสิบกว่าปีเนี่ยจะคุ้นกับคนบ้าพวกพาบ้ามีหลายคนเลยในวัดเนี่ยแต่เขาก็ไม่รู้เขาบ้านะจนกว่าเขาจะรู้ตัวเองเขาบ้าเลยเขาจึงหลุดจากอารมณ์นี้ได้บ้าที่มีบ้าหลายอย่างนะบ้าธรรมะหลงตัวเองบางทีก็คิดว่าตัวเองเป็นพระระยะบุคคลบ้างจิตมันหลอกอะหลอกตัวเองก่อนแล้วเขาไปหลอกคนอื่น หรือบางคนก็บ้าจริงกแหละบ้าจริงคืออยู่ในโลกงความคิดปรุงแต่งไม่มองโลกตาผ่านเป็นจริงบางคนก็คิดเอาเองอะไรเงี้ยทั้งวันหยุดโลกความคิดแล้วก็เป็นจริงเป็นจังอันนี้แก้ไม่ได้บางคนก็ไปอยู่ศีรษะยายก็มีเพราะว่าไม่รู้ตัวเองบ้าอย่างถ้าโยไปไปถามคนบ้าน่ยว่าบ้าไหมเขาบอกเขาไม่บ้านะเพราะไม่มีใครไม่มีใครรู้ไม่มีใครยอมรับว่าตัวเองบ้าหรอกเขาก็ว่าเราบ้าแหละ ถ้าเรารู้จักตัวเองปุ๊บเนี่ยเราก็รู้จักอารมณ์นั้นได้เรารู้ว่าเราเป็นคนดื้อเราก็หายดื้อรู้ว่าตัวเองเป็นคนโลภเราก็หายโลภรู้ว่าตัวเองเป็นคนเห็นแก่ตัวเอาเปรียบคนอื่นเราก็หายรู้ว่าเป็นคนขี้ฉาเปรียบเทียบอารมณ์พวก น, นี้ก็หายได้เหมือนกันถ้า ร, ารู้นะ ร, รู้ว่าเราเป็นอย่างนี้นะแต่ถ้าไม่รู้ไม่หายหรอกไม่รู้เราก็โยนความผิดให้คนอื่นแล้วคุยอะไใครก็โยนควารียบเพื่อนยันเตเลย เราไม่ผิดเราถูกบดแหละทำอะไรเพราะเพราะฉะนั้นเราสังเกตได้ใครเป็นคนยังไงก็อยู่ที่การเสวนากันแต่มันก็ยากนะมันใช้เวลาบางอย่างบางอย่างต้องเรียนรู้ด้วยการเจอแบบประสบการณ์ตัวเองอันนี้ในจิตในจาได้บาทีอาจารย์สอนครูบาอาจารย์สอนบาทีจำไม่ค่อยได้หรอกเพราะมันประสบการณ์ไม่ใช่ประสบการณ์ของเรามันเป็นเรื่องครูบาอาจารย์แต่เราโดนกับตัวเองบ่อยๆเนี่ยบางเรื่องแล้วก็มีประสบการณ์มากขึ้น ว่าทํางี้ยทแล้วทุกมันก็เหมือนกับเราว่ารู้ว่าเนี่ยคือคือไฟเหมือนมือ om, ไปจับไฟปุ๊บมันทิ้งเลยแต่ถ้าไม่รู้มันก็รมอยู่นั่นแหละนั่นความทุกก็เหมือนกันถ้าเรามีประสบการณ์มากขึ้นเราก็รู้ว่าสิ่งที่ทำแล้วทุกเนี้ยมันก็ไม่อยากไปยุ่งหรอกมันก็กรู้ตัวมันก็พยายามห่างแต่คนไม่รู้ก็ไปโอบกอดสิ่งที่เป็นทุกข์ไว้ไปยุ่งกับเรื่องนู้นเรื่องนี้ที่ไม่เป็นเรื่องอะไรเงี้ยแล้วก็ทุกแต่ก็ต้องใส่ประสบการณ์เรียนรู้เหมือนกันจากตัวเองไม่่่นอื ธรรมะบางคนก็มองโลกในแงด่ดีอย่างหลวงปู่ดิโนะเนี่ยเรามาชอบเล่าบ่อยชีวิตท่านมีความสุขมุมมองท่านเนี่ยบัณทิสาบ้างช่วยเราได้ยามที่เราเนี่ยคิดลบคือเหมือนกับหกักคอเข้าไปดอกไม้หลวงปู่ดินน่ท่านอยู่จังหวัดอุดรเป็นเจ้าคุณชั้นเทพพระเทพวิสุทธาจารย์สาธุทานธรรมวาทีอันนี้ในหลวงตั้งให้ ท่านมีชีวิตอยู่ในยุคเดียวกับหลวงปู่มันนั่นแหละท่านเกิดสองสี่หมรณภาพปี25งหสาสี่อายุก็ประมาณ98ปีถือว่ายุยืนอายุเกือบร้อยท่านเป็นเกจิอาจารย์ชื่อดังก็มีเรื่องเล่าว่าสมัยก่อนเนี่ยท่านเคยมีโจรขึ้นมาป้นเพราะโจนรู้ว่าท่านเนี่ยเป็นเกจิอาจารย์ชื่อดัง คงมีรกากศักดละมีสมบัติมากโจวนมันก็ถือปืนมาด้วยเลยมาถึงก็คมพูท่านหลวงปู่มีขอไม่ค่าอะไรส่งไมห้หมดหลวงปู่ก็ยิ้มยิ้มแล้วก็บอกว่าเอ็งป่นก็ดีเนาะค่าแะเบื่อเฝ้าสมบัติบ้านนี้เต็มทีแล้วโจรมันก็พูดคมพูย บ, บอกว่าฉันเนี่ยไม่ได้เอาป่นอย่างเดียวต้องฆ่าด้วยเพื่อปิดปากหลวงปู่ก็บอก ข่าก็ดีเนาะข่าเนี่ยแก่มากแล้วต้องมาดูแลร่างกายสังขารที่เสื่อมโทรมลงทุกวันทุกวันเองข่าข่าก็ดีโจนมันได้ยินทางนั้นก็รู้สึกใจอ่อนสงสารแล้วก็ไม่เคยเจอคนประเภทนี้มาก่อนก็เลยบอกทางนั้นฉันไม่ฆ่าก็ได้หลวงปู่ก็บอกไม่ฆ่าก็ดีเนาะโจนมันก็สงสัยก็ถามว่าหลวงปู่จะเอาไง ฆ่าก็ดีไม่ฆ่าก็ดีจะไงกันแน่หลวงปู่ก็บอกว่าถ้าเองฆ่าฆ่าเนี่ยเองก็ต้องถูกตํารวจตามจับเพลเผลอถูกตํารวจวิสามันฆาตกรรมถ้าเองตายไปเองก็ต้องตกระลบหมกไหมไม่ได้ผุดไม่ได้เกิดเพราะฉะนั้นเองไม่ฆ่าฆ่าก็ดีเนาะโจรด้ยินดังนั้นก็เลยสมมติผิดอะมีความรู้ผิดชอบชัว่วดีอะไรเป็นบุญอะไรเป็นบาปได้สติขึ้นมา ก็เลยบอกไม่โป้นแล้วเราไปเลยไปมือเปล่าแล้วก็มีหลายเรื่องอยังมีอยู่ครั้งหนึ่งหลวงปู่เดินบิบาบแล้วพเพลินแถวนั้นเน่ะเด็กมันกําลังเล่นกันโดยใช้ก้อนหินแล้วเฟี้ยงกันไปเฟี้ยงกันมามีเด็กคนนึงเฟี้ยก้อนหินพลาดมาโดนมาโดนหน้าหลวงปู่ก็แหละแต่ก้อนหินก้อนนั้นก็อยู่เหนือร ะ, ระดับคิ้วทําให้หัวแตก เป็นแผลโยมแถวด้านที่เห็นเข้าก็รีบ ม, มาทําแผลให้หลวงปู่และไล่เด็กไปหลวงปู่ท่านก็บอกก็ดีเนาะที่มันไม่โดนตาตาไม่บอดคือท่านท่านมองโลกในแง่ดีนะถึงเกิดเห็นร้ายไงก็ดีหมดอะแล้วก็มีอยู่ครั้งหนึ่ง <c oughs> ลูกศิษย์นิมนต์ไปฉันเพลนและแสดงธรรมที่บ้านแต่บ้านที่จัดงานก็อยู่ไกลลูกศิษย์ก็นิมนต์ว่าจะต้องไปแต่เช้า หลวงปู่ไปปีนจบาตกลับมาก็ตั้งใจว่าจะไปฉันอาหารที่บ้านงานทีเดียวเลยจึงเก็บบาตไว้ก่อนไม่ได้ฉันแต่ลูกศิษย์เนี่ยรถเสียต้องซ่อมระหว่างทางอยู่เรื่อยยังมาไม่ถึงทันทีหลวงปู่รอนานเห็นผิดเวลาจึงนําอาหารของตนมาฉันก็บอกฉันอาหารเราก็ดีเนาะฉันไม่ได้ไม่กี่คํา ลูกศิก็มาถึงต้องรีบไปหลวงปู่ก็บอกว่าฉันอาหารที่บ้านงานก็ดีเนาะท่านเก็บแล้วท่านก็ขึ้นรถไปรถวิ่งมาแล้สักพักหนึ่งรถก็เสียอีกคนขับก็ลงไปซ่อมแหละหลวงปู่ท่านก็พูดขึ้นมาว่าก็ดีเนาะได้ชมวิวข้างทางคนขับซ่อมเท่าไหร่เท่าไหร่รถก็ไม่ติดสะพังก็มาขอแรงหลวงปู่บอกให้ช่วยเข็นหน่อยหลวงปู่ตอนน้าอยู่มากแล้วปู่ก็ลงไปช่วยเข็นหลวงปู่ก็บอกก็ดีเนาะ แต่ออกอลังกายก็เห็นจะรถติดอะ่ะใครไม่ถึงบ้านงานก็เลยเวลาฉันเพลละหลวงปู่เลวัดฉันไปถึงข้อนิมนต์ขึ้นทํามาทิย์หลวงปู่ขึ้นไปแทงทางหลวงปู่ก็บอกว่าดีเนาะมาถึงได้ทำหน้าที่เลยหลวงปู่พูดธรรมะได้สักพักหนึ่งลูกศิษย์ก็รีบไปชงกาแฟมาถวายด้วยความรีบร้อนไปจิบเกลือใส่แทนน้าตาลหลวงปูฉ่ฉันไม่ได้หน่อยหนึ่ง ก็บอกก็ดีเนาะฉันกาแฟหวานๆเนอมากแล้วแล้วก็วางแก้วไว้ลูกศิษย์เห็นหลวงปู่ฉันกาแฟเหลือก็มาขอทานบ้างเพื่อเป็นมงคลทานมาได้หน่อยนึงก็พ่นพวดไปเลยว่าหลวงปู่ฉันไม่ได้ไงเนี่ยกาแฟคือวิปปิ้งเงี้ยหลวงปู่ก็หัวเราะบอกก็ดีเนาะคือท่านมองโลกในแง่ดีหมดอันนี้สามารถใช้กับชีวิตปัจจุบันได้ เพราะแต่ละวัน เ, นเราจะมีเรื่องขัดใจเยอะแหละอย่างตัวตั ว, ตวนมานเนี่ยจเจอเรื่องขัดใจเยอะมากเรื่องสมหวังก็มีบางทีเราก็เจอคนขัดใจเราเราก็บอกเราก็ต้องใช้เอาธรรมะหลวงปู่ดีน้อมาใช้เหมือนกันนะบางครั้งหรือรออะไรนานอนามาเคยโดนคนนิมนต์รอรอเกอ้อมาหลายชั่วโมงนะเจะ้าคือว่าคนนิมนต์มันจำวันผิดเราก็ต้องบอกว่าดีเน้ะเหมือนกันคือบางทีบางเรื่องเราไปโกรธไม่ได้อะโกรธแล้วก็เสียความรู้สึกไม่เกิดประโยชน์อะไรอนะ่ะ โทษดูโทษดีก็ไม่ได้เพราะว่าแต่ละคนเขาก็ตั้งอยู่ในกดในรักเหมือนกันไม่เที่ยงบางคนก็ช่วยงานเราบางคนเขาก็ไม่ได้ช่วยบางคนก็ขัดใจบางคนก็ให้เราสมหวังมันเอาได้นอนอะไรไม่ได้หรอกไม่ว่าจะเป็นในวัดหรื อ, ห ร, อหรือนอกวัดถ้าเกิดเราวางใจแบบยอมรับควาเป็นจริงได้เนี่ยทุกเรื่องที่เราผ่านเข้ามาเนี่ยมันก็ติดอารมณ์ไม่นานแล้วป๊บก็หายไปทุกอย่างไม่ใช่เรื่องจริง แต่ถ้าเราไปนคนจริงกับทุกเรื่องเนี่ยเราทุกตายเลยแหละไอ้นุ่นก็เป็นเรื่องจริงไงนั่นก็จริงจริงหมดเพราะทุกอย่างเป็นของไม่เที่ยงมาแล้วก็ผ่านไปมาแล้วก็ผ่านไปไว้คนที่ไม่ดีกับเราเดี๋ยวก็ดีกับเราเดี๋ยวก็ไม่ดีใหม่อะไรเงี้ยเอาแน่นอนอะไรไม่ได้หรอกผัวเมียหรือลูกกับพ่อก็เหมือนกันบางครั้งอีกฝ่ายหนึ่งจะเรียกร้องให้ฝ่ายหนึ่งดีตลอดอเป็นไมไม่ได้อาจจะมีเรื่องขัดใจเพื่อนก็นเหมือนกันเป็นเรื่องธรรมดาของโลกเลย แม้จะเป็นพระเป็นแม่ชีเนี่ยเดี๋ยวก็ต้องขัดใจกันไม่ไม่มีใครมาเอาใจหรือถูกใจตลอดหรอกถ้าเรายอมรับได้ช่วงที่เขาขัดใจเราเราก็ไม่ไม่โกรธเขาหรือไม่จริงมากอช่วงที่เขาเอาใจเราดีกับเราเนี่ยเราก็ไม่ไปเหลิงหรือได้ลากสักระเราก็เฉยเฉยเวลาเราเสียของเนี่ยเราก็ไม่ค่อยไม่ค่อยน่นักไม่ค่อยเสียใจอะไรเท่าไหร่ แต่ถ้าคนบางคนได้ล่าสักกระได้ขอมาดีใจเนี่ยเวลาเวลาเสียของขึ้นมาเนี่ยเราก็เสียใจด้วยนะเพราะอารมณ์ตัวเดียวกันเราใครมาชมเราเนี่ยเราดีใจมากเลยกับคนมาด่าเราใกล้ใก้กันแหละเราก็จะโกรธน้อยเนื้อต่ําใจได้เพราะมันอารมณ์ตัวเดียวกันเหมือนหัวงูกับหางงูสุกทุบเนี่ยคือโลกกระถางก็ไปแบบนี้แหละคือคือไม่มีอะไรได้ ใ, ใจเราทุกอย่างสมหวังบ้างผิดหวังบ้าง พุกแล้สูบค่าเท้าก้นไปถ้าเกิดเราวางใจแบบนี้ได้เราก็ปัญหาเราก็น้อยลงอยู่ที่ไหนก็ปรับตัวได้สามารถกลบอูได้ทุกที่แหละแต่แต่ถ้าเราไม่ไ ม, ไม่ไม่เข้าใจโลกธรรมนะไปอยู่ไหนก็มีปัญหาหมดแหละอยู่ไหนก็มีความสุขเพราะเราไม่สามารถปรับตัวได้ฉะนั้นการมองโลกในแง่ดีแบบหลวงปูด่ดิโนะหรือการใช้ชีวิตสามยอมแบบของอาจารย์กัมพลทอบุญนุ่มก็ช่วยเราได้สามารถทําให้เราเนี่ยอยู่กับโลกธรรมแล้วทุกน้อยลงได้ เห็นว่าพูดมาก็สมควรก่บเวลาก็ขอให้ญาติโยมทุกคนมีความสุขมีความเจริญในธรรมยืนึ้นไปขอจบลงแทน